สิบสี่โปศลมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโปาลามานท่านโปศลทูลถามดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดไม่มีตัณหาเหตุให้วนวันวตัดความสงสัยได้แล้วทรงแสดงอดีตธรรมข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงเมือเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ท่านโปสาลทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ขอทูล ถ, ถามถึงยางของบุคคลผู้ไม่มีรูปสัญญาผู้ละรูปกายได้ทั้งหมดผู้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกเห็นว่าไม่มีอะไรบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นควรแนะนําอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปสาลททาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญ ญ, ญาณนติติทั้งหมด รู้จักบุคคลนั้นผู้ดำรงอยู่ผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลนั้นรู้กลัมมาพิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติรู้อรูปปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้กลัมนั้นอย่างนี้แล้วออกจากสมาบัตินั้น เห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นยานนี้ของพราหมณ์ผู้อยู่จบพรหมจรรย์ น, นั้นเป็นยานอันแท้จริงโปสาละมานวปัญหาที่สิบสี่จบสิบห้าโมคราชมานวะปัญห า, า, า, ว, ญหาว่าด้วยปัญหาของโมคราชานพกท่านโมคราชทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้สักกะสองครั้งแล้ว พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุไม่ได้ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพเรศีถ้าผู้ใดถามปัญหาถึงสามครั้งจะทรงพยากรณท่านโมคระทูลถามว่าโลกนี้โลกอื่นพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ทราบชัดความเห็นของพระองค์ผู้โคตมะโค์ผู้มีพระยศ ท่านโมคคาราทูลถามว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมจุราชจึงไม่เห็นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโมคคาราธเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อพึงถอนอัตตนุทิฐิเสีย เป็นผู้ฆ่ามาจุราเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มจุราจึงไม่เห็นโมคราชมามนวะปัญหาที่สิบห้าจบสิบหกปิงคียะมนวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของปิงคียะมนบท่านปิงคียะทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ชาราภาพแล้วไม่มีกำลัง ผิวพรรณไม่ผุดพองในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัดข้าทำไมนะขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหวังนี้เลยขอพระองค์โปรตรัดบอกธรรมที่เป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคียะ ชนทั้งหลายเห็นชนอื่นๆเดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายแล้วยังประมาทเจ็บปวดเพราะรูปทั้งหลายปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทและรูปเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปท่านปิงคียะทูลถามว่าทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนหนึ่งทิศเบื้องแรกหนึ่งเหล่านี้รวมเป็นสิทธ สิ่งใดๆในโลกที่พระองค์ไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงทราบหรือไม่ทรงรู้แจ้งมิได้มีเลยพราะพระองค์โปรโดตรัสบอกธรรมที่เป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคียะเธอจงเพ่งพิจารณาหมู่มนุษย์ผู้ถูกตันหาครอบงำจิตเกิดความเร่าร้อนถูกชราครอบงำแล้ว ปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทและตัณหาเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปปิงคียะมานวะปัญหาที่สิบหกจบ 3. ปารายนัทถุติคาถาว่าด้วยการสุดดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่งพระธรรมสังคาหาราจาร์เมื่อจะสันเสริญพระธรรมเทศนานี้จึงได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถานี้แล้วเมื่อประทับอยูนะ่ณปาศานกะเจดีแคว้นมคธได้ทรงรับอาราธนากราบทูลหลายครั้งจากพราหมณ์สิหคนผู้เป็นสิษใกล้ชิดได้ทรงพยากรปัญหาแล้วถ้าแม้บุคคลรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแห่งปัญหาแต่ละปัญหาแล้วปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมก็จะพึงถึงฝั่งแห่งชราและมรณะได้แน่นอน เพราะทมเหล่านี้เป็นเหตุให้ถึงฟังเพราะเหตุดังกล่าวมานี้นั้นธรรมบัญญายนี้จึงชื่อว่าปารายณนะหนึ่งอชิตะสองติสสะเมตยะสามปุณณะ 4. ีเมตะคูห้าโทตกะหอุปศีวะเจ็ดนันทะ 8. ปเหมะกะเก้าโตเทยะ กัปปะ11ชะตุกันนิผู้เป็นบัณฑิต12พัทราวุต13อุไทัย14โปสาละ15โมคราชผู้มีปัญญา16ปิงคียะผู้เป็นมหาเรศีพระราม16คนนี้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเพียรพร้อมด้วยจรณนะผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เมื่อจะทูลถามปัญหาที่ลุ่มลึกจึงเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระธรรมสังคาหากาจา์กล่าวว่าพระพุทธเจ้าอันพรามเหล่านั้นทูลสอบถามปัญหาแล้วทรงพยากรแก่พรามเหล่านั้นตามความเป็นจริงพระพุทธมุนีทรงทำให้พรามทั้งหลายพอใจด้วยการทรงพยากรปัญหาทั้งหลายพระธรรมสังคาหากาจางกล่าวว่า พรหมเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงเป็นเผ่าพันุแห่งพระอาทิตย์ทําให้พอใจแล้วได้ประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐพระธรรมสังคาหากาจางกล่าวว่าการพยากรณ์ปัญหาแต่ละปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้นผู้นั้นพึงจากที่มิใช่ฝังถึงฝังได้ พระธรรมสังคาหากาจาราวว่าบุคคลเมื่อเจริญมรรคอันสูงสุดจะพึงจากที่มิใช่ฟฝังถึงฝังได้เพราะมรรคนั้นเป็นไปเพื่อให้ถึงฝังเพราะฉะนั้นมรรคนั้นจึงชื่อว่าปารายณนะปารายณะทุติคาถาจบ ปารายนานุคีติคาถาว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่งพระปิญคยะเทระกล่าวแขพรามณ์ภาวรีท่ามกลางชุมชนดังนี้อาตมภาพจะกล่าวบทชขับที่เป็นเหตุให้ถึงฝั่งตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ปราชจากมนทินมีพระปัญญาดุภูริปราชจากกาม ทรงไร้กิเลสดังป่าผู้เป็นนาคะทรงเห็นอย่างใดก็ตรัสอย่างนั้นจะพึงกล่าวคำเทศเพราะเหตุแห่งอะไรเล่าพระปิงกิยะเทระกล่าวว่าอาตมาภาพจะกล่าวถ้อยคำที่ประกอบด้วยการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคผู้ทรงละมนินและโมหะได้แล้วผู้ทรงละความถือตัวและความลบหลู่ได้ณบัดนี้พระปิงกิยะเทระกล่าวว่า ท่านพระมนาจารย์พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดความมืดมีสมรตจักขู่ทรงถึงที่สุดโลกทรงล่วงพบได้ทั้งหมดไม่มีอาสวะทรงละทุกทั้งปวงได้แล้วทรงมีชื่อตามความจริงอาตมภาพได้เข้าเฝ้ามาแล้วพระปิญคิยะเทระกล่าวว่าที่ะนกพึงละป่าเล็กแล้วมาอาศัยป่าใหญ่ ที่มีผลไม้มากฉันใดอาตมาภาพก็ฉันนั้นและพนาจารย์ผู้มีทัศนะแคบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนหงโคลงสู่สะใ่พระปิงคีเถระกล่าวว่าก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมอาจารย์เจ้าลติเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่อัตมาภาพว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จากเป็นอย่างนี้ คำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆพระปิงขียะเทระกล่าวว่าพระโคดมทรงเป็นเอกบุรุษประทับนั่งทำลายความมืดอยู่ทรงรุ่งเรืองทรงแผ่ราษมีพระโคดมผู้มีพระยานดุจภูริพระโคดมผู้มีพระปัญญาดุจภูริ พระปิงคียะเทระกล่าวว่าทาใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ใดทรงสแสดงธรรมที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้น่งกับการเวลาเป็นที่สิ้นตันหาไม่มีอันตรายแกอัตมาภาพพระหมภาวรีกล่าวว่าท่านปิงคียะเพราะเหตุใดหนอท่านจึงอยู่ปราจาะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระโคดมผู้มีพระญาณดุพูริ พระโคดมผู้มีพระปัญญาดุจภูริซึ่งการชั่วครู่พรามพาวรีกล่าวว่าทำใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีอันตรายแก่ท่านพระปิงคยะเถระกล่าวว่าท่านพราม อาตมภาพไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระโคโดมผู้มีพระญาณดุพูริพระโคโดมผู้มีพระปัญญาดุพูริสิ้นการชั่วครู่พระปิญญเถระกล่าวว่าธรรมใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้พระผู้มีพระภาพพระองค์ใดทรงแสดงธรรมที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาเป็นที่สิ้นตันหาไม่มีอันตรายแก่อตมภาพ พระปิงคียเถระกล่าวว่าท่านพราหมณ์อาตมาภาพไม่ตรมาทั้งกลางคืนและกลางวันย่อมเห็นพระโคดมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยตาอาตมภาพนอบน้อมพระองค์อยู่ตลอดราตรีอาตมภาพเข้าใจความไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระปิญคียเถระกล่าวว่าทำเหล่านี้คือศรัทธาปิติมณนะและสติ ย่อมไม่หายไปจากาศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้าพระโคโดมผู้มีพระปัญญาดุจภูริเสด็จไปสู่ทิศใดๆอารรมภาพเป็นผู้น้อมไปในทางทิศนั้นๆนั่นแหลพระปิงคียะเถระกล่าวว่าอารรมภาพชาราแล้วมีกำลังและเรี่ยวแรงน้อยเพราะเหตุนั้นแหลร่างกายจึงไปในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่ได้ แต่อัตามาภาพไปเฝ้าพระองค์เป็นนิดโดยการไปด้วยความดำริท่านพราหม์เพราะว่าใจของอตาตมภาพกเกาะเลวอยู่กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นพระปิณกิยเทระกล่าวว่าอัตามาภาพนอนดิ้นรนอยู่ในเปลือกตมลอยจากเกาะหนึ่งไปสู่เกาะหนึ่งครั้นต่อมาอตาตมาภาพได้เฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะ พระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัสว่าวัคคลิพัทราวุฒและอาละวิโคโดมเป็นผู้มีศรัทธาอันน้อมไปแล้วฉันใดแม้เธอก็จงเปิดเผยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันปิงคียะเธอจกถึงฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามแห่งบวงมัจุราชพระปิงคยะเทระกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้ฟังพระดำรับของพระมุนีแล้วเลื่อมใจอย่างยิ่ง พระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าทรงมีเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงจิตทรงมีปฏิพานพระปิญคิยะเทระกล่าวทูลว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้ชัดอธิเทพทรงรู้ธรรมของพระองค์และของคนอื่นทั้งปวงเป็นพระศาสดาผู้กระทําส่วนสุดแห่งปัญหาทั้งหลายเพื่อเหล่าชนผู้มีความสงสัยให้กลับรู้ได้ พระปิญญาเถระกราบทูลว่าสภาวะใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้สภาวะนั้นอันอะไรนําไปไมิได้ไม่กคลิมเริกข้าพระองค์จากถึงสภาวะนั้นแน่แท้ความสงสัยในสภาวะนั้นไม่มีแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปในสภาวะนั้นแล้วด้วยประการฉ น, นี้แล ปารายนานุขีติคาถาจบหมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของมานพสิบหกคนหนึ่งอาชิตะมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของอาชิตะมานพท่านอาชิตะทูลถามดังนี้โลกถูกอะไรเล่าคุ่มห่อไว้เพราะเหตุไรเล่าโลกจึงไม่สดใส ขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นไว้อะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นคำว่าโลกในคำว่าโลกถูกอะไรเล่าหุ้มห่อไว้ได้แก่โลกนรกโลกกำเนิดเดริฉานโลกในเปตะวิสัยมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกทาตุโลกอายตนะโลกโลกนี้โลกหน้าพรหมโลก เทวโลกนี้ตรัสเรียกว่าโลกโลกนี้ถูกอะไรโอบล้อมหุ้มหอ่อคือห้อมล้อมครอบคลุมปกคลุมบดบังไว้รวมความว่าโลกถูกอะไรเล่าหุ้มห่อไว้คําว่าดังนี้ในคําว่าท่านอจิตะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิเป็นคําเชื่อมบทเป็นคําที่ทําบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษร เป็นความฉละสลวยแห่งพยัญชนะคําว่าดังนี้นี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคําว่าท่านเป็นคํากล่าวด้วยความรักเป็นคํากล่าวด้วยความเคารพคําว่าท่านนี้เป็นคํากล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคําว่าอจิตะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นคือเป็นการกล่าวถึงการขนานนามการบัญญัติ ชื่อที่เรียกกันชื่อการตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ภาษาพยัญชนะชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านอจิตตทูลถามดังนี้คำว่าเพราะเหตุไรเล่าโลกจึงไม่สดใสอธิบายว่าเพราะเหตุไรโลกจึงไม่สดใสคือไม่ส่องสว่างไม่แผดแสงไม่รุ่งโรดไม่แจ่มชัดไม่ปรากฏชัดรวมความว่า เพราะเหตุไกรเล่าโลกจึงไม่สดใสคำว่าขอพระองค์โปรตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นไว้อธิบายว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาคือเกี่ยวข้องผูกพันทําให้โลกนี้เศร้าหมองโลกถูกอะไรฉาบทาไลทําให้หมองมวัวหมองคล้าแปดเปื้อนคละเคล้าเกา ะ, ะติดเกี่ยวพันพัวพันไว้ ขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกนี้ไว้คำว่าอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นอธิบายว่าอะไรเป็นภยัยเป็นภัยใหญ่คือเป็นเครื่องบีบพันเป็นสิ่งกระทบกระท่งเป็นอันตราย เป็นอุปสรรคของโลกนั้นรวมความว่าอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกล่าวว่าท่านอจิตตะทูลถามดังนี้โลกถูกอะไรเล่าหุ้มห่อไว้เพราะเหตุไรเล่าโลกจึงไม่สดใสขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นไว้อะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตะโลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้โลกไม่สดใสเพราะความตรณีและความประมาทเราเรียกความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นว่าด้วยอวิชาคาว่าโลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้อธิบายว่าคำว่าอาวิชาได้แก่ความไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะทมนี้เป็นปัจจัยทมนี้จึงมีความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควร ความไม่รู้ตามเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาโดยถูกต้องความไม่อย่างลงโดยรอบคอกความไม่พินิษความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความจามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชา ปริยุทธานคืออวิชาขายคืออวิชาอกุโลรามูลคือโมหะนี้ตรัสเรียกว่าอวิชาคําว่าโลกได้แก่โลกนรกโลกกําเนิดเดริชานโลกในเปตาวิสัยมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกโลกนี้โลกหน้าพรหมโลกเทวโลกนี้ตรัสเรียกว่าโลก โลกนี้ถูกอวิชานี้โอบล้อมหุ้มหอ่อคือห้อมล้อมครอบคลุมปกคลุมบดบังไว้รวมความว่าโลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้คําว่าอจิตะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพราหมณ์นั้นโดยชื่ออธิบายคําว่าภควาคําว่ า, วาพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวโดวยความเคารพ อีกในหนึ่งชื่อว่าพระผู้มีประภาคเพราะทรงทําลายราคะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีประภาคเพราะทรงทําลายโทสะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีประภาคเพราะทรงทําลายโมหะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีประภาคเพราะทรงทําลายมานะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีประภาคเพราะทรงทําลายทิฐิได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีประภาค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 พระทรงอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงใช้ซ้อยเสนาสนะที่เป็นป่าละเมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอุกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทําการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่ง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 มิใช่พระญาติและผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้งมิใช่สมณะพราหมณ์ตั้งมิใช่เทวดาตั้งคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นวิโมกขันติกระนามพระนามในลำดับการบรรลุอรหัตผลเป็นสัจจกาบัญญัิบัญญัติที่เกิดพระทรงรู้แจ้งอรหัตผลของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตยานที่คนต้นโพ รวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอชิตะว่าด้วยความตระนีห้าอย่างคําว่าโลกไม่สดใสเพราะความตระนีและความประมาธอธิบายว่ามัจฉริยะห้าอย่างเรียกว่าความตรนีคือหนึ่งอาวาสมัจฉริยะความตรหนีที่อยู่2อปุรลามัจฉริยะความตรนีตระกูล สามลาภมัจฉริยะความตรณีลาบสวันณมัจฉริยะความตรณีวันณนะหธรรมะมัจฉริยะความตรณีธรรมความตรณีคุริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความเห็นแก่ได้ความถี่เหนียวความที่จิตเจ็บร้อนในการให้ความที่จิตหวงแหนเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความตรณี อีกอย่างหนึ่งความตระณีขันก็ดีความตระณีท่าก็ดีความตระ ณ, ณีอายตนะก็ดีความมุ่งแต่จะได้ก็ดีนี้ก็เรียกว่าความตรณีขอกล่าวถึงความประมาทความปล่อยจิตไปหรือการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณห้าอย่างการทําโดยไม่เคารพการทําที่ไม่ให้ติดต่อ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 น้ตรัดเรียกว่าความประมาทคำว่าโลกไม่สดใสเพราะความตรณีและความประมาทอธิบายว่าโลกไม่สดใสเือไม่ส่องสว่างไม่แผดแสงไม่รุ่งโรดไม่แจ่มชัดไม่ปรากฏชัดเพราะความตรณีและความประมาทนี้รวมความว่าโลกไม่สดใสเพราะความตรณีและความประมาทว่าด้วยตันหา คำว่าเราเรียกความอยากว่าเป็นเครื่องฉากทาโลกไว้อธิบายว่าตั้นหาตรัสเรียกว่าความอยากได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดเรื่มหน้าความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความหห่นความเื่นกระหายความคล่องอยู่ ความจมอยู่ธรรมชาติที่ทำให้พรุกพล่านธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังจัดให้เกิดธรรมชาติที่ยังจัดให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรักธรรมชาติที่มีขายธรรมชาติที่กำทราบใจธรรมชาติที่ร้านไปธรรมชาติดุดเส้นได้ธรรมชาติที่แพ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนความค้นหาปัญหาที่นำพาไปสู่พบ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 ธรรมชาติที่กระสิบบ่อยๆธรรมชาติที่กระซิบยิ่งความกระสิบกริยาที่กระสิบภาวะที่กระสิบความละโมบกริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติที่ทำให้หวันไหวภาวะที่ใคราแต่อารมณ์ดีๆความกำหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกริยาที่ติดใจความปรารถนาะความใฝ่หา ความหมายปองกรมตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาตันหาในรูปประพบตัญหาในรูปประพบตัญหาในนิโรธรูปประตัญหาสัทธตัญหาคันธตัญหารัตัญหาโพธะพระตัญหาธรมมตัญหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอวอนนิวอ์เครื่องปิดบังเครื่องผูก อุปกีิเลตอนุัยปริยุทธานเลสที่คลุ้มรุมจิตตันหาดุดเถาวันความปรารถนาวัตถุอย่างต่างต่างรากเงาแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกแดนเกิดแห่งทุกข์บวงแห่งมานเบ็ดแห่งมานเยื่อแห่งมานวิสัยแห่งมานที่อาศัยแห่งมานโคจรแห่งมานเครื่องผูกแห่งมานตันหาดุดแม่น้ำตันหาดุดตาข่าย ตันหาดุดโซ่ตรวนตันหาดุดสมุดมาพิชาอากุศโลรบุญคือโลภะนิตรัสเรียกว่าความอยากเป็นเครื่องฉาบทาคือข้องเกี่ยวผูกพันทําให้เข้าไปเศร้าหมองโลกถูกความอยากนิฉาบทาไลทําให้หมองมัวแปดเปื้อนคละเคล้าเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันไว้เราเรียกคือบอกแสดงบัญญัติกําหนด เปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าเราเรียกความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ว่าด้วยทุกคำว่าทุกในคำว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นอธิบายว่าชาติทุก์ชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกโสกะปริเทวทุกขโทมนัตอุบายาทุกทุกเนื่องจากการเกิดในรก ทุกเนื่องจากการเกิดในกำเนิดเดรัจฉานทุกเนื่องจากการเกิดในเปตกวิสัยทุกเนื่องจากการเกิดในโลกมนุษย์ทุกเนื่องจากการเถรกำเนิดในคันทุกเนื่องจากการอยู่ในขันทุกเนื่องจากการคลอจากขันทุกที่เสบเนื่องมาจากผู้เกิดทุกของผู้เกิดที่เนื่องมาจากผู้อื่นทุกที่เกิดจากความพยายามของตนเองทุกที่เกิดจากความพยายามของผู้อื่น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 อาหิวาตกรโรคโรคเรื้อนฝีกลากมองคราะห์ลมบ้าหมูขีดเปื่อยขิดด้านขิดหูดโรคละลอกโรคดีซ่านโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤสษีดวงทวารความเจ็บป่วยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บปวยที่เกิดจากลมไข้สันนิบาต ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลความเจ็บป่วยที่เกิดจากการผลับเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ที่ไม่ได้ส่วนกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากความภาคเพียงเกินกำลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทุกข์เพราะมารดาตาย ทุกเพราะบิดาตายทุกเพราะพี่ชายน้องชายตายทุกเพราะพี่สาวน้องสาวตายทุกเพราะบุตรตายทุกเพราะธิดาตายทุกเพราะความพินาศของญาติทุกเพราะโภกษัพย์พินาศทุกเพราะความเสียหายที่เกิดจากโรคทุกเพราะศีลวิบัติทุกเพราะทิฏวิบัติความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าใดปรากฏในเบื้องต้นความดับแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมปรากฏในเบื้องปลาย วิบากอาศัยกรรมกรรมอาศัยวิบากรูปอาศัยนามนามอาศัยรูปนามรูปเป็นไปตามชาติชราติดตามพยาธิครอบงำมรณะย่ำยีตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาัยนี้ตรัสเรียกว่าทุกข์ทุกข์นี้เป็นภัยเป็นภัยใหญ่เป็นเครื่องบีบคั้น เป็นสิงกระทบกระทั่งเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคของโลกนี้รวมความว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาจิตะโลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้โลกไม่สดใสเพราะความตรหนีและความประมาทเราเรียกความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้น น่นอทิตตะทูลถามดังนี้กระแสทั้ทงหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้คำว่ากระแสทั้งหลายในคำว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงได้แ ก, ก่กระแสตันหากระแสทฤฤิฏฐิกระแสกิเลสกระแสทุจริต กระแสอวิชชาคำว่าในที่ทั้งปวงได้แก่ในอายตนะทั้งปวงคำว่าย่อมไหลไปได้แก่ย่อมไหลไปคือซ่านไปหลังไหลเป็นไปอธิบายว่ากระแสะจากตาย่อมไหลไปคือซ่านไปหลังไหลเป็นไปในรูปกระแสะจากหูย่อมไหลไปในเสียงกระแสะจากจมูกย่อมไหลไปในกลิ่น กระแสะจากลิ้นย่อมไหลไปในรสกระแสะจากกายย่อมไหลไปในโพทภะกระแสะจากใจ ย, ย่อมไหลไปคือซ่านไปหลังไหลเป็นไปในธรมรมรมคือรูปปัตนหาย่อมไหลไปคือซ่านไปหลังไหลเป็นไปทางตาสัทธตัญหาย่อมไหลไปคือซ่านไปหลังไหลเป็นไปทางหูคันธตันหา ย, ย่อมไหลไปทางจมูก กระแสตันหาย่อมไหลไปทางลิ้นโพธพตันหาย่อมไหลไปทางกายธรรมตันหาย่อมไหลไปคือต้านไปหลังไหลเป็นไปทางใจรวมความว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงคําว่าดังนี้ในคําว่าท่านอชิตะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิเป็นคําเชื่อมบทเป็นคําที่ทําบทให้บริบูรณ์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 ชื่อที่เรียกกันชื่อการตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ภ า, าษาพยัญชนะชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านอชิตะทูลถามดังนี้คำว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายอธิบายว่าอะไรเป็นเครื่องขวางเครื่องกัน้นคือเครื่องป้องกันรักษาคุ้มครองกระแสทั้งหลายรวมความว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้ ง, งหลาย คำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศทำเครื่องขวางเครื่องกัน้นเครื่องป้องกันรักษาคุ้มครองกระแสทั้งหลายรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลาย คำว่าอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้อธิบายว่ากระแสทั้งหลายถูกอะไรปิดกัน้นเือถูกตัดขาดจึงไม่ไหลไปไม่จ้านไปไม่หลั่งไหลไม่เป็นไปรวมความว่าอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านอชิษตะทูลถามดังนี้กระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวง อะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตะกระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้เรากล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้คำว่ากระแสเหล่าใดในโลก อธิบายว่ากระแสะเหล่านั้นใดที่เราตอบชี้แจงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศไว้คือกระแสะตันหากระแสทิฏฐิกระแสกิเลสกระแสะทุจริตกระแ ส, ะะแสะอวิชชาคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษย์โลกเทวโลกขันธโลกทาตุโลกอายตนะโลก รวมความว่ากระแสะเหล่าใดในโลกคําว่าอจิตะเป็นคาที่พระผู้มีพระภาคปรัดเรียพรามนั้นโดยชื่อคําว่าสติในคําว่าสติเป็นเครื่องตั้งกระแสะเหล่านั้นได้อธิบายว่าสติความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ความจำได้ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืม สติคือสตินสีสติที่เป็นใหญ่สติพละสติที่เป็นกำลังสัมมาสติระลึกชอบสติจำโพชงสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมเฮกายะนะมักมักที่เป็นทางเอกนี้ตรัสเรียกว่าสติคำว่าเป็นเครื่องกัน้นอธิบายว่าเป็นเครื่องขวางเป็นเครื่องกัน้นคือเป็นเครื่องป้องกันรักษาคุ้มครอง รวมความว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้คำว่าเรากล่ า, ท า, รรถถล า, าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอธิบายว่าเรากล่าวคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกํำให้ง่ายประกาศเครื่องขวางเครื่องกั้นเครื่องป้องกันรักษาคุ้มครองกระแสทั้งหลายรวมความว่าเรากล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลาย คำว่าปัญญาปิดกั้นกระแสะเหล่านั้นได้อธิบายว่าคำว่าปัญญาได้กแก่ความรู้ทั่วปริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิชชิตคำว่าปัญญาปิดกั้นกระแสะเหล่านั้นได้อธิบายว่ากระแสะเหล่านั้นปัญญาปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไป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 ไม่เป็นไปกระแสะเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่จ้านไปไม่หลังไหลไม่เป็นไปว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทกระแสะเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ติดกั้นได้เพื่อตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่ซ้านไปไม่หลั่งไหลไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไปไม่หลังไหลไม่เป็นไปกระแสะเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่า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 เพราะชาติดับชาราและมรณะจึงดับปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไปไม่หลั่งไหลไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธถาคาไม่หนีปฏิปทาปิดกั้นได้เพื่อตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไป ไม่หลังไหลไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าทำเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะนิโรธคาไม่มีปฏิปทาปิด ก, กั้นได้เพื่อตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไปไม่หลังไหลไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่า เหล่านี้คือธรรมที่ควรรู้ยิ่งเหล่านี้คือธรรมที่ควรกําหนดรู้เหล่านี้คือธรรมที่ควรละเหล่านี้คือธรรมที่ควรเจริญเหล่านี้คือธรรมที่ควรทำให้แจ้งปิดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไปไม่หลั่งไหลไม่เป็นไปกระแสะเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษ และการสลัดออกแห่งภาษาจตนาหกติดกั้นได้คือตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่ซ่านไปไม่หลังไหลไม่เป็นไปกระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกจากอุปท า, านขันห้ากระแสเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นธรรมคือเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษ และการสลัดออกจากมหาภูตรูปสี่กระแสะเหล่านั้นปัญญาของผู้รู้ผู้เห็นอยู่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาปิดกั้นได้เคิตัดขาดไปจึงไม่ไหลไปไม่จ้านไปไม่หลั่งไหลไม่เป็นไปรวมความว่าปัญญาปิดกั้นกระแสะเหล่านั้นได้ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอจิตะกระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้เรากล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดเครื่องกระแสเหล่านั้นได้